ทรงประชุมสงฆ์สอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระทัพพระมัรบุตรว่าทัพพระเธอจําได้ไหมว่าเคยทําตามที่ภิกษุเหล่านี้กล่าวหาท่านพระทัพพระมรบุตรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรแม้ครั้งที่สอง พระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระทัพพระมรบุตรแม้ครั้งที่สตรัสถามท่านพระทัพพระมรบุตรว่าทัาพพระเธอจําได้ไมมว่าได้ทําตามที่ภิกษุเหล่านี้กล่าวหาพระทัพพระมรบุตรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทัาพพระ บัณฑิตย่อมไม่แก้คำกล่าวหาอย่างนี้ถ้าเธอทำก็จงบอกว่าทำถ้าเธอไม่ได้ทำก็จงบอกว่าไม่ได้ทำท่านพระทัพภาพมารบุตรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าตั้งแต่เกิดมาข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักการเสพเมตุนแม้ในความฝันไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อตอนตื่นอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้น เธอทั้งหลายจงสอบถามภิกษุเหล่านี้แล้วเสด็จจากที่ประทับเข้าพระวิหารหลังจากนั้นภิกษุทั้งหลายสอบถามพระเมตติยะและพระภูมิชกะเมื่อถูกสอบถามจึงได้รับสารภาพเรื่องนั้นภิกษุทั้งหลายถามว่าพวกท่านอ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรณ์เรื่องอื่นเป็นเล่ดใส่ความพระทัพมลบุตรด้วยอาบัติปาราชิกหรือท่านทั้งสองยอมรับ บรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามพลทนาว่าฉไนพระเมตติยะและพระภูมาาิฉกะจึงอ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรเรื่องอื่นเป็นเลสใส่ความพระทัพมลบุตรด้วยอวบารชิกเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิท่านทั้งสองโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระภูมิพระภาคให้ทรงทราบ